ทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสัสนิสนทนาดำเนินรายการโดยสัสนีหน้าพงที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 มีพระมหาภัยบณ์อภิปุนโนนะคะจะเป็นผู้ที่นำเอาคำสอนของพระาศาสดาที่ได้ตรัสไว้มาให้ความรู้ในการตอบคำถามและที่ฉันได้กราบเรียนท่าน ขอให้ในช่วงต้นของรายการของเราในทุกๆวันเนี่ยเป็นการให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสปฏิบัติไปด้วยเลยจะได้ได้กำไรในการฟังรายการทั้งภาคของสุตตะแล้วก็ภาคของการปฏิบัตินะคะบางคนก็จะเรียกว่าเป็นปริยัติปะอะไรเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวต้องไปคุยกับท่านอาจารย์ไพบูลก็แล้วกันซึ่งท่านคงจะนำพวกเราทุกคน ปฏิบัติธรรมกันก่อนก็ขอให้ทุกคนเตรียมจิตเตรียมใจให้พร้อมนับบัดนี้เลยนะคะกราบนมัสการกันทั้งค่ะยืนพร้อมค่ะศัพท์ที่เขาใช้กันก็คือปริยัตหมายถึงว่าการศึกษาคําสพทอะไรต่างๆที่เป็นตัวอักษรปฏิบัติก็คือนำเอาสิ่งนั้มาปฏิบัติและปฏิเวก็คือจะได้ผลเป็นปริยัตปฏิบัติปฏิเวทนี้คําที่พระพุทธเจ้าใช้รวมกันตรงนี้ก็คือกำว่สิกขา สิกาลก็คือว่าการศึกษาด้วยการปฏิบัตินั่นเองอย่างเราพูดถึงเรื่องของลมหายใจอย่างเงี้ยไอ้ลมหายใจเป็นยังไงเป็นแบบนี้แบบนั้นแบบโน้ตเอาเรามาทําความเข้าใจด้วยการปฏิบัติเลยในการเรียนศึกษาเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกท่านเนี่ยท่านูุฟังคุณยมติวด้วยเนี่ยก็ให้มันระลึกถึงลมหายใจโดยการที่สังเกตดูณนะที่ตําแหน่งหนึ่งในโพรงจมูกของเรา มันจะมีตำแหน่งที่เราจะรับรู้ถึงสมบัติของลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกได้แต่ถ้าสังเกตเห็นไม่ชัดเจนก็อาจจะลองหายใจเข้าหายใจออกแรงๆสัก2อสามครั้งรับรู้ได้ที่ตำแหน่งไหนแล้วก็เอาจิตตั้งไว้นะที่ตรงนั้นแล้วก็ให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาแบบเดิมต่อไปแต่ซึ่งการหายใจที่ให้เป็นธรรมชาติธรรมดาเนี่ยเพื่อไม่ให้เราไปบังคับแต่ไปบังคับจิตคือถ้าบางคนบังคับกายแล้วมันก็จะมี แนวโน้มมาบังคับจิตซึ่งไม่ใช่เป็นลักษณะบังคับขู่เข็นให้จิตเราเป็นอย่างนั้นหรือไม่เป็นอย่างนี้แต่เป็นลักษณะการควบคุมในการควบคุมตรงนี้ก็คือการที่ให้เราเอาใจมาจดจอ่ออยู่ในที่ตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสมงรรถกรงลงไปใจนี้อันนี้ทรงของการที่เราเอาใจของเรามาจดจ่อที่นี่โดยที่อาจจะรับรู้ถึงสิ่งอื่นอยู่แต่ไม่เอาใจไปใส่ในสิ่งอื่น จะเป็นเรื่องราวในอดีตที่เราเคยคิดนึกมาเป็นเสียงอื่นที่เกิดขึ้นเป็นเสียงข้างบ้านเสียงสยัตว์เสียงอะไรก็ตามแต่ให้ใจของเรานั้นเอามาใส่อยู่กับลมการที่เราเอาใจมาใส่อยู่กับลมเจะทําให้สติของเรามีกําลังมากขึ้นอันนี่สองที่จะเกิดขึ้นนั้นก็คือว่าจะทําให้เราตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นกุศลธรรมที่เกิดขึ้นอยู่แล้วก็ยิ่งมีความเจริญไปบุญยิ่ง สิ่งที่เป็นความฟุ้งซ่านความคิดความที่เป็นอกุศลก็จะละไปได้ที่ยังไม่เกิดก็จะไม่เกิดขึ้นที่มีอยู่แล้วก็จะละไปได้สิ่งที่เป็นอกุศลนอกจากนี้การกระทําตรงนี้ยังเป็นการที่นอกจากเจริญสติแล้วคนที่มีสติตั้งไว้อย่างนี้มีสัมมาทิฏฐิด้วยการที่เรามีความเห็นว่าจะต้องมาทามาปฏิบัติอย่างนี้อันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิแน่นอนแต่เวลาที่ เราทําอย่างนี้แล้วความคิดนึกอะไรมันก็เป็นเป็นทางาาาาากุศลก็เป็นสัมมาสังกปะแล้วก็สมาธิเกิดขึ้นมากก็ตามน้อยก็ตามอันนี้ก็เป็นสัมมาสมาธิกายวาจาเราก็ไม่ได้พูดไม่ได้อะไรไม่ได้ทําสิ่งที่เป็นผิดศีลอันนี้ก็เป็นสัมมาวาจาแล้วก็สัมมากัมมันตะอันนี้มักมีองค์แปดก็จะอยู่ที่นี่แต่เราทําอย่างเงี้ยไปตลอดทั้งวันไม่ใช่เฉพาะตอนทีอ่อยู่ในรายการนี้ ฟังต่อไปในรายการก็ร่วมหา่ใจไปด้วยวต่อไปจนถึงตอนสายตอนเย็นก็รู้วมห า, ายใไปด้วยอย่างนี้นั่นเองเ่ิญปนสาธุค่ะบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะว่าที่ผ่านมานั้นท่านเพรบุญได้ให้เราทําสมาธิแล้ว <c oughs> เพราะบางคนไม่คุ้นเคยบางคนคิดว่าสมาธินี้มันต้องอยู่ เ, ب, เงียบๆนิ่งๆเพื่อนดิชันคนหนึ่งอะคะ่ะเขาบอกเขาไม่เข้าใจ เขาทำไม่ได้เขารู้สึกว่าเขาได้ยินเสียงแบบนี้แล้วเขาไม่สามารถที่จะนั่งสมาธิได้ก็ก็อยาจะติดรูปแบบซะหน่อยหนึ่งใช่ไหมก็ทาความเข้าใจอันนี้เรื่องทความเข้าใจกันได้ค่ะก็เท่ากับว่าในขณะที่ท่านภิบูร์ได้กล่าวเนี่ยเป็นพุทธพจน์หมายถึงเอาพุทธพจน์มาแปลให้เราได้เข้าใจง่ายๆถึงวิธีการปฏิบัติ ป, ปฏิบัติอย่างไรเราก็เรียนรู้ไปด้วยและเราก็ ปฏิบัติตามที่กำลังบอกให้ว่าวิธีเป็นอย่างไรนั้นไปด้วยถูกไหมคะอันนี้คือศึกษาด้วยการปฏิบัตินะคะในการศึกษาคําสอนของพระศาสดาเนี่ยลำพังเรียนรู้รู้เฉยๆได้ไหมคะคือรู้ว่าศีลเป็นอย่างนั้นสมาธิเขาทำกันอย่างนี้ท่องได้อีกต่างหากแต่ไม่ต้องนั่งสมาธิเนี่ยถือว่า ได้ไหมคะเนี่ยคำคำนี้คำว่านั่งสมาธิเนี่ยค่ะเอ่อมันใช้กันสับสนนิดนึงไงคือคนที่บอกว่านั่งสมาธินั่งสมาธิเนี่ยคืออาจจะไปมีความคิดว่ามันต้องแบบนั่งแล้วก็หลับตาแล้วก็เงียบเงียบไม่มีอะไรแต่ทีนี้คําว่าสมาธิจริงๆแล้วอ่ะคำว่านั่งสมาธินี่คือคุณใช้ในภาษาไทยนะด้วยการที่แบบรูปแบบนี้นี่คือหมายถึงนั่งสมาธิเท่านั้นถ้าไม่ได้ทํารูปแบบนี้คุณไม่ได้นั่งสมาธิอันนี้ไม่ใช่นะแต่คําว่าสมาธิจริงๆแล้วเนี่ย หมายถึงความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวสมาธินะเกิออดมาไม่ต้องการจะวิเคราะห์บาลีว่ามันแปลว่าจิตอารมณ์เดียวได้ยังไงนะแต่เราแปลว่ามันแปลว่าจิตเป็นอารมณ์เดียวแล้วกันนะคือสมาธินี่นะทีนี้ถามว่าความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยอย่างเวลาที่เราประชุมเนี่ยคุณยมติวนะมีกี่คนเขาคุยกันใช่ป่ะหรือเราเรียนหนังสือในห้องเรียนหรือเรขับรถเนี่ย ถ้าเราจิตเราไม่ได้เป็นอารมณ์มันเดียวเนี่ยเราไปใส่ในเรื่องอื่นประชุมนี้เราจะฟังไปดูเรื่องเลยเขาพูดเรื่องอะไรหรือหนังสือเราจะเรียนไม่รู้เรื่องเลยขับรถนี่เราเอ๊ะจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาไม่จะมุนไปเลยเพราะความที่จิตไม่ได้เป็นอารมณ์เดียวอยู่ในเรื่องไหนก็เรื่องที่คุณดํานั่นแหละเพราะนั้นการที่เราเอาใจไปใส่ไว้ในเรื่องที่เราทําอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวนั่นคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวไหมตามคุณยมตียวก่อนค่ะถูกต้องถูกไหมนั่นแหละคือสมาธิอ๋อนั่นแหละคือสมาธิทีนี้ รายละเอียดมันอาจจะต่างกันในะตรงที่ว่าเอาถ้าสมาธิแบบไหนาชาหนึ่งใช่ปะ่ะเอาคุณต้องมีปิติสูงด้วยนะที่ไหนทั้งในกายตัวตั้งตัวนี้ก็จะมีรายละเอียดเปลีกย่อยไปแต่แต่โดยหลักการแล้วก็ว่สมาธิเนี่ยคือความที่จิตมีอารมณ์อันเดียวเกิดขึ้นในเวลาสอบเวลาเรียนเวลาประชุมเวลาขับรถเวลาคุยสื่อสารกั น, กนมีแน่นอนในระหว่างวันค่ะและบางท่านก็อาจจะเข้าใจและยังอยู่ในอารมณ์อันเดียวอยู่ ก็มาฟังการตอบคําถา ม, ม, มที่ค้างอยู่ผู้ถามรายเดิมจากที่ถามเมื่อวานเนี่ย น, นะคะ น, นอกจากจะถามเรื่องทําอย่างไรจึงจะประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วได้ถามมาด้วยว่าอยากมีสติปัญญาที่ดีทําอย่างไรคะอันนี้คือหมายถึงฉลาดในความเห็นของธรรมา น, นน ะ, ะที่ว่าเจ้าของคําถามเนี่ยเขาต้องการหมายถึงว่าฉันจะฉลาดขึ้นฉันทำยังไงค่ะคือคําว่าสติปัญญาเนี่ยคําว่าสตินี่คือหมายถึงความมัลึกได้หมาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ คำถาที่เจองคำถามตามแต่ใน <acer. S 1> ที่นี้คือหมายถึงอยากจะฉลาดขึ้นแต่คำว่าฉลาดในที่นี้เนี่ยถ้าเราอามากลับมาที่ตรงคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ ย, ยก็จะพูดถึงคนที่เป็นพระหูสุดคนที่เป็นสุดยอดในเรื่องของความเป็นพระหูสุดในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือท่านพระอา น, นุนแต่ท่านพระอนุนเนี่ยเป็นภิกษุผู้เป็นพนระหูสูตดแต่คำว่าพระหูสูตนีค่คือมีการฟังมากมีการสดับมากรู้มาก เป็นผู้ที่ใส่ใจในการศึกษามากเป็นพระหูสูตรท่านพระราหุนนี้ก็ด้วยเป็นพระหูสูตรเหมือนกันท่านพระ อ, อนนท์เนี่ยได้เคยบอกถึงคุณธรรม5อย่างคุณยมตีว ค, คุณธรรม5อย่างที่ทำให้เป็นพระหูสูตรทำให้เป็นบุคคลที่จะใครครวนได้รวดเร็วในกุศลธรรมทั้งหลายเรียนได้ดีเรียนได้มากสิ่งที่เรียนแล้วไม่เลือนไปสอย่างนะ <C> e <an> เป็นผู้ที่ใกล้ควรได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย2เรียนได้ดี3มเรียนได้มากสสิ่งที่เรียนแล้วไม่เลือนไป4อย่างนี้ในเรื่องของการเรียนนะอะไรเป็นเหตุทําให้เกิด4ี่อย่างนี้นะมีทั้งหมด5อย่างด้า น, นี้ได้บอกกับท่านพระสารีบุตรไว้ <C> e <an> ว่าหนึ่งเป็นผู้ฉลาดในอัฏฐะเป็นผู้ฉลาดในอัฏฐะแต่จะมาจะอ่านให้ฟังทั้งหมดก่อนนะ <C> e <an> สเป็นผู้ฉลาดในธรรมะสมเป็นผู้ฉลาดในพยัญชนะ สเป็นผู้ฉลาดในนิรุตติและ5เป็นผู้ฉลาดในเบื้องต้นและเบื้องปลายเอาคำแรกก่อนว่าเป็นผู้ฉลาดในอัฏฐาเนี่ยหมายถึงอะไรนะีหมายถึงอัฏ ฐ, ฐานี่คือประโยชน์ในการที่เอาไปใช้งานคือผลของมันในประโยชน์ในการที่จะเอาไปใช้งานว่าไอ้ความรู้เนี่ยคุณจะเอาไปใช้ได้ตรงไหนคคิดในการที่แอปพลายล่ะสฉลาดในธรรมะเนะี่ยตรงนี้คือหมายถึงเหตุของมันไอ้ว่าที่เขาวิเคราะห์มาได้ความรู้ตรงนี้มา อ๋อมันมาจากคุณธรมตรงนี้ตรงนี้นค่ะเนี่ยคือสาวไปทั้งเบื้องปลายและเบื้องต้นของมันีน่คือในข้อที่1และ 2, 2> ค่ะข้อที่3ามฉลาดในพยัญชนะเนี่ยคำว่าพยัญชนะนี่คือหมายถึงตัวบทนะตัวบทบทพยัญชนะค่ะแต่คำว่าฉลาดที่นี้คือเพื่อที่จะหาดูว่าเอ๊ะมันมีข้อมูลอะไรซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัดหรือไม่นะคำเนี้ยมีนัยยะกี่นยัยยะมีความหมายกี่ในเราก็จะต้องดูวิเคราะห์กันไป <c oughs> อย่างเช่นเขาว่าแม่น้ําในภาษาไทยเนี่ยก็จะมีความหมายลึกอะถ้าคุณจะมาวิเคราะห์กันนี่คือเรื่องของพยัญชนะ <c oughs> ใช่ไหมค่ะ <c oughs> แล้วข้อที่4ี่ฉลาดในนิรุตตินิรุตตินี่คือภาษา <c oughs> ในิรุตตินี่คือทางด้านภาษาค่ะ <c oughs> รากศัพท์เป็นยังไง etymology เป็นยังไง prefix suffix อะไรพวกเนี้ยค่ะ <c oughs> นี่คือข้อที่สี่แล้วข้อที่ห้าฉลาดในเบื้องต้นและเบื้องปลายแต่ก็ว่าฉลาดในเบื้องต้นและเบื้องปลายเนี่ยตรงนี้ก็จะมีหลายระยยะนะ ในระยะที่อจะมาคิดว่าเบื้องต้นเบื้องปลายเนี่ยก็คือในการที่จะเอาไปใช้งานในการที่จะเอาไป apply ไปในเรื่องต่างๆแล้วก็เหตุเหตุที่มันมาอ ย, ย่างไงนี่คือในข้อที่ค่ะอันนี้คือสิ่งที่ท่านพระ อ, อ น, นุนได้บอกกับท่านพระสาริบุตรไว้อันนี้เป็นคําของท่านพระ อ, อ น, นุนนะค่ะว่าถ้าจะให้ได้ผลอย่างนี้จะต้องเป็นคนที่ใคร่ครวญ ใช่เรียน<ต>ได้ไดีเรียนได้มากเนี่ยจะต้องมีพวกนี้อ๋อถ้าจะเรียนดีเรียนมากเรียนแล้วไม่เลือนไปใช่แล้วก็ได้ในสิ่งที่เป็นกุศลได้เร็วได้เร็วนะคะจะต้องอ่าเป็นผู้ที่ฉลาดในอัตถะเอาไปใช้งานใช้ประโยชน์ได้ดีต้องเข้าใจในเรื่องของธรรมะฉลาดในธรรมะนี่คือไม่ถึงเหตุของมันมฉลาดในพยัญชนะฉลาดในตัวบท ฉลาดในนิรุติภาษาเมื่อสักครู่นี้ท่านพิบูรณลนิพูนภาษาอังกฤษที่ฉันจับได้แค่ Prefix ซ์ซัฟฟิแต่อีกตัวนังจับไม่ได้อคือการแยกศัพท์ค่ะนั่นก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของภาษาการแยกสัพท์อะไรมันก็จะค่อนข้างไปในทางไวยากรณ์ใช่ใช่ใช่ใชถูกต้องไวยากรณ์ะะใช่แล้วก็เบื้องต้นและเบื้องปลายฉลาดในเบื้องต้นและเบื้องปลายเบื้องต้นเบื้องปลายเนี่ยก็นยะที่จะมานึกได้ตอนนี้ แล้วก็จะเป็นเรื่องของการนาไปใช้งานแล้วก็การแอพลายไปในเรื่องต่างๆค่ะคำอธิบายค <c oughs> ุณธรรมของท่านพระอานนท์ซึ่งได้กล่าวกับท่านพระสารีบดถูกไหมคะใช่ถูกต้องนะคะอันเนี้ยยังคิดว่าเป็นประโยชน์กับผู้ที่ฟังอยู่โดยเฉพาะผู้ที่จะต้องเป็นนักศึกษานักศึกษานักเรียนนะคะเอาไปใช้เลยวิธีเรียนอย่างไรให้เก่งเนี่ยใช่ อันนี้ก็คือในฐานะที่เจ้าของคำถามเนี่ยเายังเรียนอยู่ในระดับบุคมศึกษา<ม>นะแต่มาจึงเอา5าข้อ น, นี้ของท่านพระนนท์มาสเปซิฟิกเฉพาะลงไปในเรื่องของการเรียนในการที่จะเรียนในเรื่องของการในระดับนักเรียนใช่ไหมค่ะแต่จะว่ากันไปนะคะท่านคะ<ม>ก็มีคำกล่าวพูดถึงว่าอ่าอะไรนะคะ no one is too old to learn <ม>แปล ว, ว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนใช่เรียนได้ตลอดไปนี่ก็ใช้ได้ทุกคนเลยถูกไหมคะถูกต้องถูกต้อง ทีนี้มันก็จะมีอีกในาย่าหนึ่งอันนี้เป็นพุทธพจน์นะต่อไปนี้ที่จะพูดเนี่ยเป็นพุทธพจน์พระพุทธเจ้าพูดถึงการที่เราจะพัฒนาเรื่องในเรื่องหนึ่งให้เราดีขึ้นมาได้อันนี้จะไม่ได้เฉพาะเจาะจงในเรื่องของการเรียนละแต่ยังเป็นเรื่องของการทําธุรกิจเฮะเราจะให้เราฉลาดในธุรกิจของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพูดเรื่องของการการเล่นหุ้นเรื่องของการทําการค้าไอ้คุณจะฉลาดดีขึ้นมาได้อย่างไรพระพุทธเจ้าพูดถึงวุตถสี นะี่ยคือคุณธรรมวุฒิธรรมคือธรรมะที่ทําให้เกิดมีวุฒิขึ้นมีความเจริญขึ้นนะสี่อย่างคือหนึ่งคุณต้องมีตัวอย่างที่ดีก่อนคบคนดนะีว่าคนที่เขาทําความสําเร็จได้ดีแล้วอ่ะในธุรกิจด้านนั้นๆในการเรียน น, นั้นๆหรือในสายวิชาชีพ น, นั้นๆมีใครบ้างต้องเป็น ค, คนดีด้วยนะต้องเปนคนดีด้วยวิธีการที่มาได้ด้วยกุศลธรรมรอันนี้คือข้อที่1ก็คือพูดง่างยๆก็คือมีกาลยามิตร ในในด้านที่เราเฉพาะจอจงลงไปสองเข้าไปฟังคําแนะนําของเขานะฟังคําแนะนําของเขาว่าไอ้ที่เขาทํามาสําเร็จเนี่ยเขาใช้วิธีการอะไรอันนี้ก็คือการฟังคําแนะนําที่ดีอันนี้คือคข้อที่สองข้อที่3มเนี่ยเอามาทําการโยนิโศมนสิการคือการมาใไข้ค ร, รวญพิจารณาให้รอบคออันนี้จะต้องการเอามาแอพลายในตัวเราละอ๋อคนนี้เขาสําเร็จเรื่องนี้อ๋อเขาอ่านหนังสืออย่างนี้เขาจดโน้ตอย่างนี้ หรือว่าเาขาค้าขายอย่างนี้เขามีการตลาดอย่างนี้เขามีการดูแลลูกค้าอย่างนี้ค่แล้วก็มาใคร่ครวนมาอยโยนิสโชมนสิการแล้วว่าเ้เราจะเอามาใช้งานยังไงนี่คือการโยนิสโสมนสิการก่อนที่จะลงมือปฏิบัติแล้วข้อที่สี่ก็คือการปฏิบัติตามสมควรปฏิบัติทําสมควรแก่ทํามาตรงเนี้ยเขาใช้คำนี้ก็คือเอามาทํานั่นเองแต่ถ้าไม่มีข้อที่สคุณคิดใคร่คุณแล้วเขียนไว้เป็นหนังสือมันไม่เทคแอคชั่นมันก็ไม่เกิดอะไรค่ะ อันนี้คือส่วนที่สี่นะสี่ข้อนี้จะทาให้เกิดความเจริญได้อจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสําเร็จก็ได้เป็นเหตุความสำเร็จถูกไหมคะคือคบคนดีอันนี้สําคัญฟังคําแนะนําก็เหมือนกับเรียนรู้จากเขาจากคนที่มีความรู้แล้วก็เอามาไร่ครวญพิจารณาให้รอบคอบอยู่ในสูสมนัสิการใบกับลงมือปฏิบตัติเพราะไม่เช่นนั้นจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยใช่ไหมคะต้อ ง, องปฏิบัติธรมสมควรแก่ธรรม ท่านคะมีอีกคําถามหนึ่งต <Yeah, but. S 1> รงนี้ถ้าท่านคิดว่าดิฉันคิดว่ากระจ่างแล้วนะคะงั้นจะจะขออนุญาตไปที่คําถามของคุณกัลยาณมิตรได้ไหมคะได้ yeah, <but. S 1> ค่ะได้ฟังรายการที่ดิฉันได้กราบเรียนถามท่านเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้น yeah, <but. S 1> เกี่ยวกับเรื่องของยานและฌานใช่ไหมคะ yeah, <but. S 1> แล้วก็ได้กล่าวอ้างถึงว่าคําคเทศของหลวงปู่เทศเนี่ยบอกว่าอาจารย์ผู้สอนก็ดีลูกศิษย์ผู้เจริญภาวนาก็ดี mm hmm. เมื่อเข้าใจวิถีจิตที่เข้าเป็นฌานแล้ว ระวังอุปกิเลสสิจะเกิดขึ้นถ้าจิตเข้าถึงฌานแล้วอุปกิเลสไม่ทั้งหมดก็อย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องเกิดขึ้นอท่านก็เลยถามมาว่าที่ว่าอุปกิเลสสิจะเกิดขึ้นมีลักษณะเป็นอย่างไรเกิดแล้วจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรโอเคกิเลสเนี่แปลว่าความเศร้าหมองความเศร้าหมองจะเกิดขึ้นที่ใจแน่นอนกิเลสเกิดที่ใจในเหตุปัจจัยต่างๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่มันจะเกิดขึ้นที่ใจทีนี้เรื่องของอุปกิเลสสิบอย่างเนี่ย มันอยู่ในหนังสือที่เป็นคัมภีร์ที่ว่าวิสุทธิมัคอันนี้ท่านจะพูดถึงว่าวิปัสนูกิเลสก็คืออุปกิเลสสิอย่างนึ่งก็คือความเศร้าหมองที่จะเกิดขึ้นในจิตของคนที่ทำวิปัสสนาอันนี้คือท่านอธิบายเอาไวใ้ในคัมภีร์วิสุทธิมัคใช่ว่าบางทีเราเจอความสุขในสมาธิเนี่ยแล้วเราก็ไปรุ่มหลงในความสุขนั้นอันนี้แสดงว่าอย่างเศร้าหมองอยู่นี่คือยกตัวอย่างเป็นต้นนะยกตัวอย่างเป็นต้น นี้ในในความที่พระพุทธเจ้าอธิบายแยกแยะเรื่องของกิเลสเนี่ยก็แยกแยะไปละเอียดกว่านั้นอีกคะนะ่ะคือแยกแยะไว้ด้วย16อย่างก็เรียกวุปกิเลส16บหกอันนี้อาจจะเคยได้ยินกันใช่ไหม<ข>อุปกิเลสสิอย่างก็มีอุปกิเลส16ก็มีค่<ข>นะเนี่ยซึ่งถ้าคําว่ากิเลสเนี่ยคือความเศร้าหมองใจอยู่แล้วคุณจะอธิบายแยกแยะยังไงก็จะต้องมีความเศร้าหมองสักอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นค่<ข>นะไหนทีนี้คําเนี้ย ถ้าพูดถึงในคำพิพิสุทธิมรรคท่านก็ไม่ได้บัญญัติใหม่นะเพียงแต่ท่านอธิบายไปนในลักษณะนั้ น, นท่านอธปลายเป็นลักษณะนั้นพระพระเจ้านี่ยได้แบ่งอุบาคิเลสิบอย่างอาไว้ก็แยกแยะไว้แจกแจงละเอียดเหมือนกันค่ะอจะตอบตรงนี้ได้ไหมคะได้ก็เช่นว่าความเพ่งเลงความอยากในะความเพ่งเลงความอยากเนี่ยก็เหมือนกับทรัพย์ของใครทรัพย์นั้นจงมาเป็นของเราหรือแม้แต่ความอยากได้สมาธิอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเพ่งเลงได้อย่างหนึ่ง 2คือความพยาบาทความคิดร้ายคิดอาฆาตสามคือความโกโรธ4คือความผูกโกรธ5คือการลบหลู่คุณท่านหกคือความตีเสม อ, อความลบหลู่นี่ก็อย่างเช่นว่าเขาไปทําความดีอย่างใดอย่างหนึ่งมาก็าบอกว่ามันไม่เท่าไหร่หรอ ก, ล, ก ล, ลักษณะนี้คือลบหลู่เขาข้อที่2คือตีเสมอสิ่งก็ทําความดีอย่างใดอย่างหนึ่งมาเพราะอันนี้ฉันก็ทําแล้วนี่คือตีเสมอข้อที่ห้าข้อที่ เนั่นก็คือความริษยาแล้วก็ทําดีใหม่มันก็แบบไม่ไม่อยากให้เขาได้ดีข้อที่8คือความตระนีจะให้ก็ไม่ให้แล้วก็ที่9คือความมีมารยามารยาก็เสแสร้งแล้วก็ที่10ก็คือการโอ้อวดหลอกลวงเขาข้อสิอ็ดคือความหัวดือ้อความกระด้างลักษณะนั้นแล้วก็ข้อที่12คือความแข่งดีความแข่งดีนี่หมายความว่า มุ่งที่จะเอาชนะกันค่ะนะข้อที่สิบสามคือความถือตัวข้อที่สิบสี่คือความดูหมิ่นเกา่านะคืออติมานานเนี่ยหมายถึงวารที่ถือตัวยันอันยิ่งค่ะแล้วข้อที่สิบห้าคือความมัวเมาแล้วข้อที่สิบคือความประมาทอันนี้คืออุปกิเลสสิบกอย่างค่ ะ, ะที่ที่เทสมาอธิบายถึงเรื่องอุปกิเลสสิบกอย่างนะแทนที่จะเป็นอุปกิเลสสิบอย่างเนี่ย เพราะว่าถ้าเราดูชิบกอย่างนี้มันก็ละเอียดอยู่แล้วค่นะละเอียดมากยิ่งขึ้นก็เข้าใจง่ายนะคะอ่าตอบคุณกแกลียในมิตรไปเลยอีกท่านหนึ่งกันทัานคะ่ะเยบานข่าวสำหรับผู้ฟังท่านนี้เป็นนามสมมุตินะคะเย บ, บานชื่อคุณนุชก็ถามมาว่าในการแสดงความคิดเห็นลงมติในที่ประชุมโดยลงคะแนนการกระทํา บ, บางอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรเนี่ยแต่ว่าทําให้คนหนึ่งคนอาจเกิดความเสื่อมเสีย ชื่อเสียงหรือจริยธรรมตัวเธอก็ถามว่าควรใช้หลักธรรมข้อใดในการตัดสินแต่ทางนี้และท้งนั้นเนี่ยตัวเธอได้ลงมติช่วยรักษาชื่อเสียงของคนคนนั้นไปแล้วถึงแม้ว่าจะทําผิดต่อสถาบันก็ตามทีตามธรรมะว่าไ ง, งคะท่านคะพระพุทธเจ้าเวลาที่พระองค์จะบัญญัติเรื่องของวินัยอย่างเงี้ยเช่นว่าคุณพระภิกษุรูปนี้ไปขอชีวรเขาเ อ, อ๊จะขอได้หรือขอไม่ได้เนี่ย พระพุทธ้าก็จะมีวิธีการพิจารณานะก็คือว่าเป็นการที่เพื่อเป็นไปเพื่อการเลี้ยงง่ายอันนี้ก็เป็นอันที่หนึ่งแต่ก็จะมีหลายอย่างตัวนี้มีทั้งหมดสิบสออย่างด้วยกันอันหนึ่งอันนั้นที่อาจาคิดว่าจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องนี้ก็คือว่าเพื่อที่จะข่มกี่คนที่เลี้ยงยากเพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ต่อคนที่เลี้ยงง่ายค่นะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคนนี้เขาเป็นคนยังไงคือถ้าเขาเป็นคนที่ดี แล้วเราจะลงคะแนนเพื่อไปให้เกิดการเบียดเบียนเขาเนี่ยการทําอย่างนั้นมันก็ไม่ดีถึงแม้จะเป็นการรักษาประโยชน์ต่อที่ทํางานก็ตามาแต่ถ้าในทางตรงกันข้ามถ้าคนนี้เขาเป็นคนไม่ดีการลงคะแนนเพื่อที่จะข่มขี่ให้เขาปรับทิฐิที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องเออนี้ควรทำนะคือคุณยอมตี้าใจนะว่ามาอยู่ที่บุคคล น, นั้นว่าเป็นลักษณะไห น, นจิตใจเขาเป็นอย่างไรแตถ้าเขาเป็นคนเก้อยากบอกยากสอนยาก าการลงโทษเขาบางทีให้เขาอยู่ในระเบียบวินัยบ้างอันนี้นก็อาจจะเป็นผลดีต่อจิตใจของเขาอันน mm ี้ก็สําคัญแต่ถ้าเขาเป็นคนบอกง่ายสอน ง, ง่ายอยู่แล้วอาจจะมีการเรื่องเกิดผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งเาการที่เราจะลงคะแนนให้เขาพ้นจากความผิดหรือว่าให้เอื้อประโยชน์กันอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะทําได้เพราะฉะนั้นก็พิจารณาด้วยการที่ดูที่คุณธรรมของคนที่เขาเป็นน่ะว่า <Okay. S 1> เขาดีหรือไม่ดีอย่างไร ะจะพูดไปมันก็ลำบากใจนะคะที่ท่านพูดท่ามาตัดสินใจเองเพราะว่าในส่วนหนึ่งเมื่อพูดถึงถ้าเขาเป็นคนไม่ดีการที่เราลงมติเช่นนั้นไปก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเขาเองด้วยเป็นประโยชน์กับองค์กรด้วยเป็นประโยชน์กับตัวเขาในแง่ที่ก็จะได้ไปพัฒนาปรับปรุงตัวแต่ว่าเขาเสียหายไปแล้วถูกไหมคะใช่ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในกรณีที่ถ้าเกิดเขาเป็นคนดีอย่างนี้ ลงคะแนนอย่างนั้นไปไม่เป็นไรแต่นี่สมมุติเขาเป็นคนไม่ดีสมมตินะคะอือแล้วเราก็ไปลงคะแนนในลักษณะที่ไม่อยากให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงอ่ะเพราะว่าก็เห็นแก่ในวันข้างหน้าที่เขาจะต้องอยู่ตรงนี้ต่อไปอสงสารไย่งัง้นเถอะเหมือนกับถ้าเป็นตามหลักพรหมวิหารเนี่ยก็จะเป็นประเภทเมตตาอะไรทั้งนี้ถูกไหมคะมใช่เราก็ถือเมตตาเป็นกุศลแล้วเหมือนกันน ะ, ะท่านก็ย้งๆกันอยู่ในทีนะคะอืมอตอนนี้เราจึงต้องดู ต้องดูคนที่พิจารณาก็คือตัวของเราเนั่นเองการพิจารณาในลักษณะไหนที่จะไม่ให้อกุศลและทเกิดอันนี้ก็อีกอันหนึ่งเพราะว่าถ้าสมมุติเราตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วกุศลธรรมมันเกิดอกุศลธรรมหายไปเนี่ยเราควรทําอย่างนั้นแต่ถ้าอากุศลธรรมมันจะเกิดเช่นมีความไม่พอใจมีความร้อนใจมีความเครื่งใจมีความไม่แน่ใจพวกนี้เป็นอกุศลธรรมเอางั้นก็อย่าทําอย่างนั้นค่ะ ตอนี้ในลนักษณะที่มันเป็นเดลิม่าเนี่ยไม่รู้จะเอาข้างไหนสักข้างหนึ่งเนี่ย่แวิธีการที่อาตมาใช้ใ น, ในสมัยก่อนเนี่ยก็คือว่าเราลองเข้าสมาธิดูเราลองเข้าสมาธิดูแล้วก็กําหนดจิตไปว่าเอยถ้าสมมติท่านตัดสินใจอย่างนี้ไปแล้วก็เอาจิตของเราไปอยู่ในตรงนั้นเนี่ยหลังจากที่ตัดสินใจไปแล้วสมมตินนะะนี้เราจะมีความรู้สึกสบายใจหรือว่ามีความทุกข์ใจอย่างไหนมากกว่ากันโดยการใช้สมาธิเป็นเครื่องพิจารณาดูอันนี้ก็ได้ค่ะ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดจินคิดว่าอาชีพอย่างผู้วิพากษานี่สงสัยต้องนั่งสมาธิตลอดเวลาเลยนะคะเนื่องจากว่ า, อาโอกาสในการที่จะตัดสินถ้าเรารู้ว่าผิดพลาดเนี่ยไปลงโทษคนที่ไม่ผิดเข้าเนี่ยน่าเสียใจอย่างยิ่งเอของผู้วิพากษานี่เขาก็จะมีวิธีการพิจารณาความอยู่นะค่ะเข้าใจค่ะคือเหมือนกับ ว, ว่านอกจากพิธีงั้นเนี่ยบางทีคู่กรณีคู่ความเนะะี่ยค่ะบางคนอาจจะมีความสามารถในการหาหลักฐาน หรือว่าหลักฐานเขาดีกว่านะคะแต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่ผิดที่ฉันมีเพื่อนนะคะท่านคะ mm hmm. ที่รู้จักต่อต่อมาเนี่ยเขาก็บอกว่ามั่นใจในความไม่ผิดของ mm hmm. ตัวเองดังนั้นในการต่อสู้ก็ต่อสู้กันแบบคิดว่าสบายๆจะใช้ทนายความที่พอจะหาได้ yeah, <bye. S 1> แต่สุดท้ายเขาติดคุกคท่านคะ อืมซึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าเข้าคงแพ้ด้วยเรื่องหลักฐานอย่างเนี้ยนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจอืค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องกรรมเมื่าไห่อะอย่างที่ท่านพูดก็มีหลายอย่างประกอบกันคือถ้าถ้าเรามีความเมตตาด้วยเก็จะทําให้มนุษย์เป็นที่รักของมนุษย์ด้วยมีความเอื้อเฟื้อเอื้อกลุกันได้อืมค่ะทีนี้เดฉันก็เข้าใจว่าคําตอบที่ คนุษนามสมมุติถามมาเนี่ยก็ได้รับคําตอบไปเรียบร้อยแล้วกลับมาที่คําถามเมื่อวานนี้ซึ่งได้สนทนากับท่านค้างอยู่เราพูดถึงอาชีพการค้าขายนะคะแล้วก็พูดถึงว่าขายเหล้าเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ดิฉันจะถามต่อนะคะที่ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นอาชีพที่ไม่ควรทําถูกไหมคะใช่บาลเพราะว่ามันจะทําให้เจอแต่อะไรที่เป็นอกุศลมีส่วนไปเกี่ยวข้องกับตรงนั้นมากขึ้นค่ะทีนี้ในส่วน อีกทางหนึ่งอย่างเช่นดิฉันเนี่ยก็จะเตือนคนที่จะสร้างแสร้างตัวด้วยอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการขายเหล้าเนี่ยบอกว่าหรือว่าบางคนอาจจะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะอืเที่ยวพาคนไปเที่ยวคนกับแวะไปเที่ยวบอนการพนันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเยียมบานดิฉันก็มีคนรู้สึกว่าการพนันเนี่ยเขาถือว่าเป็นอบายมุกใช่เหล้านี่ก็ถือว่าเป็นอบายมุกดังนั้นก็เหมือนกับเหล้าเนี่ย น่าที่จะไม่ทำเหตุผลเพราะเรากำลังสร้างอคติอย่างร้ายแรงให้เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าอย่างการพนันก็อาจจะทำให้คนที่เราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแหละแต่ทําให้เขาเข้าไปในบ่อนได้เนี่ยอาจหมดเนื้อหมดตัวครอบครัวเดือดร้อนคนขายเหล้าก็อาจจะทำให้เขาดื่มเหล้าแล้วไปอารวาสทุบตี พัญญาหรือว่าไร้สติไปทําในสิ่งที่มันก่อความเดือดร้อน<ช>ต่างๆเกิดขึ้นทั้งกับตัวเองและกับผู้อื่นเนี่ยไอ้เรื่องพวกเนี้ยเราจําเป็นจะต้องนึกไปถึงมั้ยหรือไม่เพราะพระพุทธเจ้าสอนแค่เรื่องอกุศนไม่อกุศนเท่านั้นอในเรื่องของอาชีพเดี่ยทําทความเข้าใจเรื่องคำศัพท์นิด น, นึงนะคุณยมเที่ยวน ะ, ะอาชีพเนี่ยคือการอาชีพทั่วๆไปค่ะแต่อันนี้ที่พระพุทธเจ้าเจาะจงนี่คือการค้าขายคือการค้าขายทีนี้การค้าขายเนี่ย ก็อย่างที่ว่าไป5้าอย่างการค้าขายสุราค้าขายยาพิษค้าขายอาวุธค้าขายเนื้อสัตว์แล้วก็ค้าขายสัตว์เป็นพวกนี้ควรหลีกเลี่ยงทีนี้ถ้าในกรณีที่ว่าเราชักชวนคนไปอบายมุกนะอบายมุกก็มีเช่นสุราการพ น, นันเจ้าชู้เนะี่ยพวกนี้เนะี่ยไม่ดีอบายมุกเนี่ยก็คือมุกนี่แปลว่าทางปากทางนะสู่อบายคือความเสื่อมนะปากทางไปสู่ความเสื่อมแต่ว่า ความเสื่อมอาจจะยังไม่เกิดขึ้นตรงนั้นเลยแตนะ่ความเผลอสติ t, ความชั่วแรงรต่างๆอาจจะยังไม่เกิดขึ้นตรงนั้นเลยแต่ถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้นะปากทำมาอยู่ตรงนี้ดังนั้นตรงนี้จะเริ่มมีความประมาทเกิดขึ้นละแล้วคนที่ตัวเองทํานะแล้วชักชวนให้คนอื่นทําด้วยเนี่ยคือทําเองนี่ชั่วพอแรงนะแล้วชักชวนให้คนอื่นทําด้วยเนี่ยนี่คือคนชั่วของคนชั่วค่ะคือคื อ, อาศัตรุษยิ่งกว่าอาศัตรูพระเจ้าใช้คํานี้ ค, คือถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงซะโอ้โหคือไม่ควรทำเลยมันเป็นทางไปต่มไงนะคะแสวงหาคนทางใหม่ๆกับชีวิตเอาประเด็นสังคมอีกเรื่องก่อนจบก็แล้วกันนะคะได้ๆฉันเห็นข่าวคนฆ่าตัวตายเครียดเพราะเรื่องเงินไม่มีใช้ฐานะย่าแย่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูจากข่าวนะคะที่ฉันเคยพบกรณีที่เขามีการสัมมนากาันก็บอกว่าถ้าลงข่าวเรื่องฆ่าตัวตายเนี่ยมันจะมีกรณีเรียนแบบ กิขึ้นก็เป็นห่วงอหากเป็นเช่นนี้ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจะบอกคนที่กําลังมีความคิดจะฆ่าตัวตายก่อนที่เขาจะลงมือกระทําอย่างไรดีคะท่านค ะ, ะสิ่งที่อามาอยากจะบอกก็คือว่าคนที่เอสมควรจะตายจริงๆเนี่ยน ะ, ค, ะคือคนที่เขาสบายใจคือคนที่เขาได้ทําดีแล้วคือ ค, คนที่แบบว่าได้ทําสิ่งที่ควรทําแล้วเนี่ยคือควควรตายได้ไม่มีปัญหา แต่คนที่ถ้าบอกว่าชีวิตฉันยังไม่สําเร็จยังไม่ได้สิ่งที่ต้องหวงังยังไม่ได้ทําสิ่งที่คิดว่าจะทําเนี่ยแล้วคุณจะไปตายเนี่ยนะคือคุณไม่สมควรตายทําไมล่ะคะเพราะว่ายังไม่ได้ทําอ่ะสิ่งที่ควรทํายังไม่ได้ทําชีวิตยังมไม่ได้หมดเลยมืดมนค่ะท่านคะหมดขา<อ> ง, <อ> ง, งมืดมนอ่ะมันมีวิธีอยู่ถึงที่ต้องบอกกันว่าเดี๋ยวก่อนคุณยังไม่ควรตายเพราะอะไระเพราะคนที่เขาสําเร็จเขาแฮปปี้แล้วเนี่ยเขาควรตายแต่ถ้าเรายังไม่แฮปปี้รืยังไม่สําเร็จ อย่าเพิ่งตายเพราะว่าเส้นทางอื่นมันยังมีอยู่เส้นทางอื่นที่ว่านี่คืออะไรนั่นก็จึงถึงต้องมาเส้นทางที่ว่าเอ้าเรามาทําความเข้าใจไหมที่ว่าสําเร็จคืออะไรไม่สําเร็จคืออะไรอย่างนี้นะเราก็จะมาสู่กระบวนการหนทางที่ว่าเอ้าเรายังสามารถรักษาศีลได้มาปฏิบัติตรงนี้ได้แล้วข้อที่2ที่ควรจะต้องนึกถึงว่าสมควรตายหรือไม่แล้วข้อที่2ที่นอกจากในข้อที่1ที่ว่ามาคิดว่าเราสมควรตายหรือไม่เนี่ย ข้อที่สอนที่เราจะมาคิดพิจารณาก็คือว่าอันนี้เป็นบาปอกุศลธรรมแตนะ่ถ้าบอกว่าเราฆ่าตัวตายเนี่ยเราคิดว่าเราจะไปได้ดีกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วคุณจะไปได้ชั่วกว่านนะั้ได้ไม่ดีเท่าในะปัจจุบันนี้เพราะอะไรเพราะว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นการปิดสีอยู่ ล, ละเป็นการทำปานาธิบาตในการทำปานาธิบาตเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้สูงว่ า, าจะไปนรกกาเนิดเทเราชานปรพิสใสซึ่งมันจะไม่ได้ดีกว่าที่คุณอยู่ตอนนี้แน่นอน ที่ว่าเป็นปานาธิบาตเนี่ยเพราะว่าตัวคนเราตัวเราเองเนี่ยก็เป็นชีวิตหนึ่งนะเป็นชีวิตหนึ่งการทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงลงไปถึงแม้ว่าจะเป็นการฆ่าตัวเองก็ตามเพราะว่าตัวเราเนี่ยไม่ได้เป็นของเราพระพุทธจบอกว่ากายเนี่ยไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและตั้งไม่ใช่ของบุคคลเหล่าอื่นเพราะฉะนั้นการที่เราฆ่าตัวเราเองก็ถือว่าเป็นการทําปานาธิบาตเหมือนกันค่ะพราะพระสงตัดว่าเป็นการทําชีวิตสัตว์ให้ตกลุ่งเหรอคะใช่ปานาธิบาตเนี่ยคือการทําชีวิตสัตว์ให้ตกลุ่ง แล้วบางคนอาจจะคิดว่าเ อ, อไม่ได้ทําสัตว์อื่นฉันทาตัวฉันเองก็ถึงแม้กายของเราก็ตามก็ไม่ใช่กายของเราแต่เป็นสิ่งที่เกิดจากกรรมส่งผลมาเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นการทําลายชีวิตเหมือนกันถ้าเรายังมีลมหายใจค่ะนะซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่เท่ากับไปฆ่าคนอื่นนะคะใช่ใชนะ่คือกรรมจะหนักหรือจะเบาก็อยู่ที่โทสะตรงนั้นโมหะตรงนั้ น, นแล้วถ้าแบบเราหลงไปคิดว่าตายแล้วมันจะได้ดีตายแล้วมันจะจบจบไปอันนี้โมหะมากเลย ตายแล้วมันไม่จบอ่ะสิเพราะถ้ายังมีโมหะอยู่มันไม่จบแน่นอนถ้ายังมีโทสะอยู่มันไม่จบแน่นอนเพราะฉะนั้นเราทําความกระจังแจ้งขึ้นให้ดูดีตรงนี้ให้ได้แล้วก็พิจารณาดูดีนะคนที่ทําความกระจางแจ้งตรงนี้พิจารณาดูดีดีเห็นแล้วชัดเจนแล้วเออนี้ควรตายได้นะอย่างบุคคลที่เขาทําดีแล้วนะเขาตายาก็ไม่เสียดายชีวิตนี้เขามีอยู่ แ ต, แต่ถ้าบอกว่าเรายังไม่ได้ทําความดียังไม่ทําความเข้าใจตรงเนี้เฮ้ยคุณยังไม่สมควรตายนะเพราะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่คุณยังทําความเข้าใจตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็หนทางช่องทางก็มีอยู่ด้วยอาจารย์บอลนะคะดิฉันก็กําลังคิดนะในเวลาที่เหลืออยู่จะสรุปอย่างไรดีก็คือให้รู้ว่าอย่าฆ่าตัวตายเลยเพราะการฆ่าตัวตายในทางธรรมะเนี่ยเท่ากับคุณฆ่าคนอื่นด้วยเหมือนกันเป็นปาณาติบาตอันนี้ก็จะมีกรรมเป็นของเขา นะคะถ้าทำบ่อยทำนานก็ไปตกนรกก่เนินเรือฉานเปรตวิสัยบางคนค่าตัวแล้วค่าแถมด้วยลูกเต้าเมียตายหมดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าอย่างเบาก็ทำให้อายุสั้นใช่ทีนี้ถ้ากล่าวโดยสรุปรักษาตนให้พึ่งตนพึ่งทํากันแล้วกันนะคะเราลองดูซิเมื่อเจอทางตันลงหันเข้าหาธรรมะอาจจะดีกว่าที่จะคลิปสั้นปลิชีวิตนะคะแลวเจอทางสว่าง กล่าวมรสการขอบพระคุณท่านไพริบุญแต่เพียงเท่านี้ได้ไหมคะวันนี้นะคะมัส ก, การขอบพระคุณนะคะ<ป>ท่านมหาเพริบุญพี่ปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศอดรอนธานีสันนินาพง์นะคะกับรายการสรนนียนสนทนาทางสถานีวิทยุครอบกรวข่าว f m ฟเอที่ให้ท่านทั้งในเรื่องของการได้รับทราบธรรมะเพิ่มมากขึ้นนะคะฟังธรรมแล้วก็การปฏิบัติจึงรวมเรียกกันว่าเราได้ศิกษาคือทั้งปฏิบัติแล้วก็ศึกษา คำสอนของพระาศาสดาเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตประจำวันกันแล้ววันนี้ลากันไปก่อนนะคะพุทธสวัสดีค่ะ